บัดนี้จะได้วิสัชนาในทุกขะสมุททอริยสัจ ท, ที่สองไปดำเนินความตามวาระพระบาลีว่าพักวาองค์สมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาพเจ้าเมื่อพระองค์ทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาในทุกขอริยสัจเสร็จลงแล้วลำดับนั้นจึงทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาในทุกขะสมุททะอริยสัจสืบต่อไป จึงมีพระพุทธดีกาตรัสเป็นกเทตุกามยตาปุชาว่าตัทธัตมังทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนพิขูทั้งหลายทุกขสมุทะอาริยสัจนั้นเป็นประการใดเล่าจึงตรัสวิสัชนาว่าพิขเวดูกนพิขูทั้งหลายอย่ายังตัญหา ตัญหาอันใดที่จะให้สัตว์ทั้งหลายปฏิสนธิเอากำเนิดในภพใหม่ตัญหานั้นคือความกำหนัดยินดีในวัฏตะสงสารสัตว์ทั้งปวงบังเกิดในภพใดภพใดความกำหนัดยินดีก็มีในภพนั้นภพนั้นไม่เว้นไม่ว่างไม่เสื่อมไม่คลายเลยความยินดีในรูปารม์ในสัทารม์ในคันธารม์ในรสารม์ ในพทธภารมคือความยินดีในอารมณ์คือรูปรสกลิ่นเสียงและสิ่งสัมผัสกายนั้นรัดรึงตรึงตราแน่นหนาอยู่ในสันดานสัตว์รัดชูวิยะอุปมาเหมือนด่งเชือกผูกล่ามสัตว์ไว้ให้ท่องเที่ยวในวัฏฏสงสารเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดในพบน้อยพบใหญ่สวยทุกขเวทนาด้วยกองทุกข์คือชราและพยาธิ ติดตามเบียดเบียนบีธายี่ยมยีมรณะ น, นั้นก็คอยตัดชีวิตตินซีให้ขาดให้เด็ดเปรียบประดุดในเพชชะาตอันฟาดฟันด้วยดาบอันคมกล้าแสนยากแสนลําบากกายตายจากที่นี้ไปเกิดที่นั้นตายจากที่นั้นไปบังเกิดที่โน้นตายจากที่โน้นมาบังเกิดที่นี้มีแต่ท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิด เวียนเอากำเนิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่รู้สิ้นสุดด้วยรัชชุกคือตันหาเป็นเชือกยึดหน่วงล่ามไม่ให้เคลื่อนคลายขยายออกได้เลยและตันหานั้นมีสมประการคือกามตันหาประการหนึ่งภาวะตันหาประการหนึ่งวิภวะตันหาประการหนึ่งกามตันหานั้นได้แก่โลภะจิต การปรารถนาในเบญจา ก, กามคุณและปรารถนาจะบังเกิดในมนุษยสุขติและสกามาวจรทั้งหกชั้นคือเทวดาหกชั้นแรกที่เรียกว่าเทวภูมิซึ่งจัดรวมอยู่ในกามภพเป็นภูมิที่ยังคล่องอยู่ในกามยังยึด ต, ติดอยู่กับกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาน่าชอบใจโลภะจิต อันปรารถนาในเบญจากามคุณและปรารถนาจะบังเกิดในมนุษยสัสุขติและสกามาวจรทั้งหกชั้นนั้นชื่อว่ากามตัญหาอธิบายว่าบุคคลทั้งหลายบำเพ็ญทานรักษาศีลสร้างกองกุศลทั้งปวงด้วยปรารถนาจะใครได้มนุษยสมบัติและสวรรคสมบัติชั้นสกามาวจรนั้นชื่อกามตัญหา ตถาคตตรัสเรียกว่าทุกขยาสมุทยาอริยสั์เหตุว่าพระอริยเจ้าทั้งปวงท่านเห็นแท้และภาวะตัณหานั้นได้แก่โลภาจิตแห่งพระโยคาพระจรอันประกอบด้วยสัตตาทิฏฐิเห็นไปว่าถ้าบังเกิดในรูปพระพรมก็ดีอรูปประพรมก็ดี จะได้มีความแก่ชราความมรณะนั้นหามิได้มันคงมิได้จรลาจนเชื่อแท้ชนี้และมีจิตยินดีเจริญฌานสมาบัติด้วยภวะโลภะจิตปรารถนาจะใบบังเกิดในรูปประพรมนั้นได้ชื่อว่าภวะตัณหาจัดเป็นทุกขาสมุทะอริยสัจประการหนึ่งและวิภวะตัณหานั้น คือโลภะจิตอันประกอบด้วยอุเฉททิฏฐิตามสับแปลว่าความเห็นว่าขาดศูนย์หรือเชื่อว่าตายแล้วศูนย์วิภาวะตัณหานั้นก็คือโลภะจิตอันประกอบด้วยอุเฉททิฏฐิยินดีในฌานสมาบัติด้วยสาคัญสัญญาว่าถ้าแม้ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกแล้วจะได้กลับลงมาบังเกิดในมนุษย์นี้หามิได้ ก็จะดับสังขารธรรมทั้งปวงขาดเข้าสู่นิพพานในพรหมโลกนั้นท่านที่เป็นโยคาวจรจำาพวกหนึ่งถืออุเฉธาทิฏฐิชนีและมีโลภะจิตยินดีปรารถนาจะไปบังเกิดในอรูปภพนั้นได้ชื่อว่าวิภาวะตัญหาจัดเป็นทุกขะสมุทยอริยสัจประการหนึ่ง นักปราดผู้มีปัญญาพึงสันนิษฐานเข้าใจเถิดว่าตันหาสามประการนี้ได้ชื่อว่าทุกขะสมุทยอริยสัจด้วยอัตถาว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดกองทุกขมีชาติทุกข์เป็นต้นที่กล่าวมาแล้วกามตันหาที่ปรารถนาเบญจา ก, การมคุณทั้งห้านั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดกองทุกขในกามมพบ ภวตัณหาและวิภวะตัณหานั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดกองทุกข์มีชาติทุกข์เป็นต้นในพรหมโลกทั้งสองชั้นคือรูปะพบและอรูปะพบเหตุดังนี้ท่านจึงแก้อัตถะแห่งสมุทัยะนั้นว่าตังวิน า, นานญาโตทุกขังนะโหตินะจตังตะโตทุกขเหตุอิติสัจจังวิสัตติกา กองทุกข์ทั้งปวงมีชาติทุกข์เป็นต้นนั้นจะได้เกิดมาแต่ที่อื่นหาไม่ได้เป็นอันขาดย่อมเกิดมาแต่ตัญหาสิ่งเดียวถ้าเว้นจากตัญหานั้นแล้วชาติทุกข์ชราทุกพยาที่ทุกมรณะทุกขนั้นไม่มีเลยเป็นอันขาดนักปราชญ์ผู้มีปัญญาควรจะพิจรารณาปรงธรรมสังเวทเถิดว่าตันหาตัวเดียวนี้นี่หละ พาให้สัตว์ไหวเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารสิ้นกาลช้านานนับพบนับชาติมิได้ไม่เห็นที่สำนักอาศัยไม่เห็นฟังเลยตถาคตจึงตรัสเรียกตันหานั้นชื่อว่าสมุทยะเพราะตันหานั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดกองทุกข์ทั้งปวงพระอริยเจ้าท่านเห็นเหตุแท้ชนี้จึงมีบัญญัติเรียกชื่อว่า ทุกขสมุทยาอริยสัจสมเด็จพระสันเพฒ พ, พุทธเจ้าตรัสเทศนาประเภทแห่งสมุทยาสัจสมประการดังนี้แล้วเมื่อจะตรัสเทศนาตัณหาอันเป็นไปในอารมณ์ต่างๆนั้นจึงตรัสเป็นกเทตุ ก, กามยตาปุจรช่าว่าพิกเวดูก่อนภิกขุสง์ทั้งหลายตัณหาเมื่อจะบังเกิดขึ้นนั้นเกิดในสถานที่ใด เมื่อจะแผ่ซ่านไปหนึ่งเนืองนั้นแผ่ซ่านไปในสถานที่ใดจึงตรัสวิสัชนาด้วยพระองค์ว่าสิ่งใดเป็นที่รักใครเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจเป็นที่ยินดีปรีดาปราโมดตัณหานั้นก็บังเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นประพฤติซ่านไปหนึ่งเนือ ง, เนองในสิ่งนั้นและตัณหานั้นมีถึงร้อยแประการตัณหาร้อยแประการนั้น จะเป็นประการใดเล่าตัณหาร้อยแปประการนั้นจัดในการมาพบนี้36ประการเป็นการมตัณหาจัดในรูปประพบนั้น36ประการเป็นภาวะตัณหาจัดในอรูปประพบนั้น36ประการเป็นวิภวะตัณหาจึงเป็นตัณหาร้อยแปดประการชนี ในกามตัญหา36นั้นคือตัญหาเป็นไปในอดีต1 2เป็นไปในปัจจุบันนี้12เป็นไปในอนาคต12จึงเป็นกามตัญหา36ด้วยกันคือความรักความยินดีนั้นบังเกิดขึ้นในอายตนะภายใน6ประการคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจบังเกิดขึ้นในอายตนะภายนอก6ประการ คือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะและธรรมารมณ์เป็นตัญหา12ประการด้วยกันตัญหาที่เป็นภายใน6ประการนั้นคือจกักรวัยตนะอายตนะคือตาประการหนึ่งโสตายตนะอายตนะคือหูประการหนึ่งคานายตนะอายตนะคือจมูกประการหนึ่งชิวหายตนะอายตนะคือลิ้นประการหนึ่ง กายยตนอายตนะคือกายประการหนึ่งมนายตนอายตนะคือใจประการหนึ่งเป็นตัญหาภายใน6ประการชนีและตัญหาภายนอกหประการนั้นคือรูปายตนาประการหนึ่งสักทายตนะประการหนึ่งคันทายตนะประการหนึ่งราสายตนะประการหนึ่งผลทพายตนะประการหนึ่ง ธรรมายตนะประการหนึ่งเป็นตัญหาภายนอกหประการชนีที่เป็นตัญหาภายในหประการนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลทั้งหลายเอากระจกมาส่องดูเห็นจากขู่ทั้งสองเห็นหูทั้งสองเห็นจมูกเห็นลิ้นเห็นรูปกายของตนนั้นให้บังเกิดความรักใครยินดีในใจของตนเองว่าจากขูของเรางาม หูของเรางามจมูกของเรางามรูปกายของเรางามงามทุกสิ่งทุกประการหาทิตฐิมิได้ให้ชมในใจรักใคร่ในใจของตอนเองชะนี้ได้ชื่อว่าตัญหาเกิดในอายตนะภายในหกประการที่ตัญหาเกิดในภายนอกหกประการนั้นอธิบายว่า เมื่อบุคคลทั้งหลายลายเห็นสรรพรูปที่งามดีให้บังเกิดความรักขึ้นก็ดีได้ฟังเสียงที่ไพเราะเพราะในเสียงทั้งหลายให้บังเกิดความรักก็ดีได้สูดดมกลิ่นหอมสรรพสิ่งทั้งปวงให้บังเกิดความรักขึ้นก็ดีได้ลิ้มเลียรสอร่อยสรรพรสทั้งปวงและบังเกิดความรักขึ้นก็ดีได้สัมผัสของที่อ่อนละเอียด สัสิงของทั้งปวงให้บังเกิดความรักขึ้นนั้นก็ดีได้คิดถึงทำอันใดเป็นที่ชอบใจและบังเกิดตัณหารักใครยินดีปรีดาเรื่อนเริงบันเทิงจิตและตัณหาปรารถนาคิดจะใครได้ซึ่งรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมรสารมพทธพารมนั้นตถาคตจินตัสเรียกชื่อว่า ตัญหาเกิดในอายตนะภายในหกประการชนี้นี่แหละตัญหาภายในหกประการภายนอกหกประการที่พันนามาชนี้จึงเป็นตัญหาสิบสองประการด้วยกันจึงจัดเป็นอดีตส2ประการเป็นปัจจุบันนี้12ประการเป็นอนาคตนั้นก็สิบสองประการสิริเข้าด้วยกัน จึงเป็นการมตัิหา36ประการก็มีด้วยประการชนี้อีกประการหนึ่งตัณหาเหล่านี้บังเกิดมาแต่โลภะจิตฝ่ายข้างอากุศลแต่ล้วนเป็นบาปสิ้นทั้งนั้นสมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาว่าโลภะจิตนี้มีลักษณะถือมั่นซึ่งอารมณ์คือวัตถุที่ตนรักใคร่ ปรารถนาไม่ได้ละไม่ได้วางน้ำจิตนั้นรัดรึงตรึงตราอยู่ในวัตถุสิ่งของอันตนปรารถนานั้นแน่นแฟ้นหนักหนามีคขรู้ว่านาดุดวานอนอันติดตังคือกับดักที่ทำจากย่างไม้ธรรมดาวานอนอันติดตังนั้นเดิมทีติดแต่ที่นั่งนั้นก่อนครั้นวานอนนั้นเอาเท้าทั้งสี่ยันลงด้วยคิดว่าจะไปให้พ้น จตาโรปาธาเท้าทั้งสี่นั้นก็ติดกลังด้วยเป็นห้าแห่งด้วยกันทั้งที่นั่งนั้นครั้นวานอนเอาปากลงกัดปากนั้นก็ติดเข้าเป็นหกแห่งเข้าด้วยกันวานอนนั้นมีอาจไวต้ติงกายได้เน้นแฟนเข้านักหนาเสยยถาอันนี้แหละมีครุวานาชันใด โลภาจิตนี้มีลักษณะให้รักให้ใคร่รัดรึงตรึงตราอยู่ในวัตถุสิ่งของอันตนปราถนามีอุปมาเหมือนดังนั้นอภิสังครโสตัตะกะปาละคิตมังสเปสิวิยะโลภาจิตนี้มีกิริยาอันกระทรรมให้อารมณ์คลองอยู่เป็นกิจอธิบายว่า โลภจิตนี้เมื่อบังเกิดขึ้นเป็นหลายครั้งหลายคราวแล้วก็ย่อมกระทำให้อารมณ์ขัดข้องตรึงตราอยู่ในวัตถุสิ่งของอันตนรักใคร่นั้นเป็นเนืองนิดมีขรุวนาชันใดขรุวนาดุดดังว่าชิ้นเนื้ออันบุคคลทิ้งลงในกระเบื้องอันร้อนเนื้อที่สดสดนั้นถ้าบุคคล หยิบเอาทิ้งลงในกระเบื้องอันร้อนแล้วเนื้อนั้นก็ติดกลางอยู่ในกระเบื้องนั้นฉันใดก็ดีโลภะจิตนี้บังเกิดมีเป็นหลายครั้งหลายคราวแล้วก็ให้อารมณ์นั้นตรึงตราอยู่ในสิ่งของทั้งปวงให้รักให้ใครยินดีปรีดาอยู่ในสิ่งของทั้งปวงอันเป็นที่ปรารถนาแห่งตนมีอุปมาเหมือนดังนั้น และตัณหาโลภะจิตนี้เมื่อบังเกิดกล้าหารอยู่ในสันดานแล้วก็มีอาจจำแนกแจกทานแก่สมณะพราหมณาจารย์และยาจกวณิพกคนกัมพร้าอนาถาได้ไอ้รักให้ใครอยู่ในสิ่งของแห่งตนจะหยิบจะยกออกไปทำบุญให้ทานนั้นหยิบยกเอาไปไม่ได้น้ำใจนั้นติดทราบอยู่ในสิ่งของทั้งปวง เตลันชนะมาศิราโควิยะเปรียบดังผ้าขาวอันบุคคลย้อมด้วยขมเมาอันเจือกันกับน้ำมันยางธรรมดาว่าผ้าขาวอันบุคคลย้อมด้วยขมเมาอันเจือกันกับน้ำมันยางนั้นถึงจะซักสักร้อยครั้งพันครั้งซักเท่าใดเท่าใดก็มีอาจกระทําให้ขาวบริสุทธิ์ออกได้ขมเมากับน้ำมันยางนั้น ก็ติดอยู่ที่ผ้านั้นกว่าจะขาดจะยับไปฉันใดก็ดีตัณหาคือโลภะจิตนี้เมื่อบังเกิดกล้าหาญอยู่ในสันดานแล้วก็ให้น้ำจิตนั้นติดทราบรักใคร่อยู่ในสิ่งของทั้งปวงมีให้หยิบยกไปบริจาคทานได้มีอุปมาเหมือนผ้าขาวอันย้อมด้วยขเมากับน้ำมันยางซักไม่ได้หายดำนั้น และตันหาคือโลภะจิตนี้ถ้าบังเกิดอากูลมูลหมองอยู่ในสันดานแห่งบุคคลผู้ใดแล้วก็อาจชักพาบุคคลผู้นั้นไปสู่อบายภูมิเป็นเที่ยงแท้สีฆาโสตาณฑีวิยะมีคารุวนาดุดแม่น้ำที่กระแสอันไหลเชี่ยวธรรมดาว่าแม่น้ำมีกระแสอันไหลเชี่ยวนั้นยอมจะพัดพาเอาจอกแหน และสิ่งของสัพพะทั้งปวงให้ลอยไปสู่มหาสมุทรชั้นใดก็ดีตัณหาคือโลภะจิตนี้ก็ย่อมพาสัพพะสัต ท, ทั้งปวงให้ลอยไปสู่อบายภูมิมีอุปมัยเหมือนดังนั้นและตัณหานี้ย่อมบังเกิดมองมูลอยู่ในสันดานแห่งสัตทั้งปวงเป็นอันมากหนักหนาอาศัยเหตุชนีสมเด็จพระมหากรุณา จึงตรัสเทศนาในกุฏ ธ, ธารกะบัณดิตชาดกนั้นว่าพิกเวดูกรพิขุทั้งหลายตันหาอันบังเกิดในสันดานแห่งสัตว์ทั้งปวงนี้เป็นอันมากกว่ามากนักสัจเจรูปิโนพะเวยะตันหานี้ท่าและบังเกิดเป็นรูปเป็นร่างอย่างพระหนึ่งว่าต้นไม้และเครือเขา อายังจักรวาโลหองจักรวาลอันนี้อติสัมภาโธก็จะคับแคบยิ่งนักมีใครจะพอที่จะใส่ตันหาของบุคคลทั้งปวงเพราะเหตุว่าบุคคลผู้นี้ก็ปรารถนาคนโน้นก็ปรารถนาปรารถนาของบุคคลแต่ละคนแต่ละคนจะขนใส่ลงสำเภา์ก็มิได้หมดได้สิน้น ตัญหานี้บังเกิดมีในสันดานแล้วเมื่อใดก็จะให้กระทําอกุศลมีต้นว่าปานาติบาตในการเมื่อนั้นอกุศลกรรมมันหยาบช้าสาหัสมีควรจะกระทําได้เลยถ้าลุ่มอำนาจแก่ตัญหาแล้วก็อาจกระทําได้ทุกสิ่งทุกประการตัญหาหนาอยู่ในสันดานแล้วก็ย่อมให้กระทําอกุศลกรรมอลามกต่างๆนานา เหตุท่นี้ตถาคตจึงตรัสเทศนาว่าตัญหาคือความปรารถนารักใคร่ยินดีในขันธาที่โลกนี้เป็นทุกขาสมุทรทยาศัตร์เพราะเหตุว่าเป็นที่เกิดแห่งกองทุกมีชาติทุกเป็นต้นเป็นประธานอีกประการหนึ่งสัตว์ทั้งหลายอันประกอบด้วยการมตัญหา คือปรารถนาเบญจากา ร, รมาคุณในมนุษย์โลกนี้ย่อมกระทําอกุศลกรรมสิบประการคือกายทุจริตสาวจีทุจริตสี่มโนโทุจริตสามกายทุจริตสามประการนั้นคือกระทําปานาธิบาคฆาสัตตัดชีวิตสัตว์เป็นให้จำตายกระทํมอทินนาทานฉกลักล้วงล่อช่อกระบัติของท่านผู้อื่น ประธรรมกาเมสุมิชาจารประพฤติลวงประเวณีภริยาแห่งท่านวจีทุจริตสีประการนั้นคือกล่าวมุสาวาตโกหกมายาไม่กล่าวตามพุทธวจนะไม่กล่าวตามบทกฎหมายพระอายการกล่าวเปยุสนยวาตส่อเสียดท่านผู้อื่นด้วยเห็นแก่อามิส h ินจ้างกล่าวพระรุษวาตคําหยาบช้าทารุณ กล่าวสัมผัสปลาประวาดตลกขนองมโนทุจริตสามประการนั้นคืออภิชาโลภะจิตมักได้มุ่งหมายเอาของผู้อื่นพยาบาทผูกกรรมจองเวรกับท่านผู้อื่นมิชาทิฏฐิถือผิดเป็นชอบอากุศลทุจริตสิประการนี้ไม่ควรจะกระทำเลย ครันการมตัญหาบังเกิดขึ้นในสันดานแล้วย่อมกระทำได้ไม่กลัวแก่บาปไม่ละอายแก่บาปด้วยน้ำจิตไม่เคยหยาบช้าไม่ควรกล่าวก็กล่าวขึ้นได้อาศัยด้วยตัญหาปรารถนาในเบญจากามคุณนั้นเข้าหุดหนุนค้ำชูอยู่ในสันดานจึงอาจหารกระทำได้พูดจาได้อปายาพิมุขขา ครั้นกระทากาละกิริยาแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่อบายนี่แหละจึงจัดได้ชื่อว่ากามตัญหาเป็นปัจจัยให้บังเกิดกองทุกข์ในกามภพเรียกชื่อว่าทุกขะสมุทรยัสัตว์อีกประการหนึ่งสัตว์ทั้งหลายปรารถนาสมบัติในมนุษย์นี้ก็ดีและปรารถนาสมบัติ ในจักามาผจรสวรรค์ทั้งหกชั้นนั้นก็ดีและอุตสาบมเพญทานรักษาศีลสร้างกองการกุศลอันประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครันจุติจิตได้ไปบังเกิดในมนุษย์โลกสวยรมชมสมบัติในมนุษย์โลกนี้ก็ดีบางทีได้ขึ้นไปบังเกิดในชั้นจกามาผจร สวยทิพยะโพไค่ไอสุริยะสมบัติในสวรรค์เทวโลกโน้นก็ดีก็จัดได้ชื่อว่ากามตัิหาเป็นปัจจัยให้บังเกิดกองทุกขเรียกชื่อว่าทุกขะสมุรทรยะอริยสัจอีกประการหนึ่งโยคาวจรกุลระบุตรประกอบความเพียรในสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐานด้วยภาวะปรารถนาจะไปบังเกิดในรูปประพบและเอารูปประพบนั้นครั้นได้ฌานสมาบัตสมความปรารถนาแล้วก็ขึ้นไปบังเกิดในชั้นรูปประพรมทั้งหลายนั้นบ้างในอารูปประพรมทั้งสี่ชั้นนั้นบ้างด้วยถือสัตสตาทิฏฐิความเห็นว่าเทียงและอุเฉทาทิฏฐิความเห็นว่าศูนด้วยเห็นว่า รูปประพรมและอารูปประพรมนั้นไม่มีความแก่ความชราไม่มีพยาธิละมรณะถือชนี้ก็จัดได้ชื่อว่าภวะตันหาและวิภวะตันหาเป็นปัจจัยให้บังเกิดกองทุกเป็นต้นเป็นประธานเพราะเหตุความปรารถนาอย่างนั้นยังจะให้สัตว์ทั้งหลายเวียนตายเวียนเกิดยังจะเวียนเอากำเนิดประกอบด้วยจุติปฏิสนทิอยู่ ยังหาสิ้นพบสิ้นชาติขาดจะ ก, กองทุกในวัตะสงสารไม่ตถาคตจึงตรัสเรียกชื่อว่าทุกขอริยสัตว์อีกประการหนึ่งพระโยคาพระจรคุณบุตรทั้งหลายประกอบด้วยวิจารณาปัญญาพิจารณาเห็นสังสารภัย และอบายทุกนั้นโดยแท้อุตสาภาคเพียนบำเพญกองการกุศลมีบริจาคทานและรักษาศีลจำเริญเมตตาภาวนาหลวงเอาพระไตรลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นอารมณ์ให้เนืองนิดอย่างน้าจิตให้คิดถึงพระพุทธคุณมีพระอารหังเป็นต้นและพระธรรมคุณมีสวากขาโตเป็นประธานและพระสังฆ ค, คุณ มีสุปฏิปันโนเป็นต้นและจำเริญในห้องพระสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานด้วยหมายจะรื้ตนให้พ้นจากวัตฏะสงสารยุดหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจัดได้ชื่อว่าปฏิบัติให้สิ้นภพสิ้นชาติให้ขาดจากกองทุกทั้งปวงอย่าให้พนักพนวงห่วงใ ย, ยอาลัยอยู่ในภพทั้งสาม พึงปฏิบัติขจัดตัณหาสาประการคือกามตันหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เวียนว่ายสเสวยทุกข์อยู่ในภพทั้งสประการสมด้วยพุทธปริหารตรัสเทศนาแก่พระภิกขุทั้งหลายในสุกกระโปติกาวัตถุในนิทานวักจำจะชักวัตถุเข้ามาสาทก ให้เป็นนิทัศนะอุท่าหรแห่งเนื้อความนี้ว่าเอกสมิงกิระทีวเสดังได้สดับมาวันหนึ่งสมเด็จพระบ ร, รมศาสดาเสด็จเข้าไปทรงบาทในเมืองราชครึทอดพระเนตรเห็นนาสุการะปวติกาลูกสุกรตัวหนึ่งแล้วทรงย้ำพระโอษฐ์ให้ปรากฏครั้งนั้นพระอานนทเทระเจ้า ได้เห็นซึ่งคันโตผ้าสมนทนอันเคลื่อนออกจากพระโอษฐ์จึงทูลถามซึ่งเหตุที่ย้ำพระโอษฐ์ว่าพันเตพัควาข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสวัสดีภาคดังข้าพระองค์ขอถามพระองค์เจ้าทรงกระทําซึ่งย้ำพระโอษฐ์ให้ปรากฏนั้นด้วยเหตุดังรือพระพุทธองค์จึงเอื้อนพระวาจาว่าอานันทะ ดูกรสำแดงอานน์นางสุกราโปรติกาลูกสุกรนั้นอานน์ได้เห็นหรือไม่อามะพันเตพระพุทธเจ้าข้าข้าพระบาทได้เห็นแล้วดูกร อ, อานน์นางสุกรนั้นครั้งพระศาสนาพระกากูสันทสัส ม, มาสัมพุทธเจ้าโนนบังเกิดเป็นนางไก่อยู่ในที่ใกล้อสนสาศาลาโรงชั้นอันหนึ่งนางไก่นั้น ได้ฟังเสียงสาธยายทำแห่งพระโยคาวจรภิกูทั้งหลายอันสาธยายซึ่งพระวิปัสสนากรรมฐานก็มีจิตยินดีในศรัทธานิมิตนั้นคือในเสียงนั้นและมีความเลื่อมใสครันจุติจากชาติเป็นนางไก่นั้นแล้วไปบังเกิดในรา ช, ชตระกูลเป็นพระราชธิดามีนามบัญญัติชื่อว่าอุปรีราชกัญญา อยู่มาในอประภาคสมัยเบื้องหน้านางอุพภรีราชกัญญานั้นเข้าไปสู่ที่สรีระวะลัญชฐานที่ทายวัฏ จ, จะก็ได้เห็นปุลุวากระราศีกองแห่งนอนอ์ในที่ไายวัฏจะอยังปุลูวากะสัญญาให้บังเกิดในปุลุวากระราศีนั้นปทมชานังปฏิลภินางก็ได้สาเร็จปทมชาญ นางอุเพรีราชกัญญานั้นอยู่ในราชตระกูลถึงกำหนดอายุแล้วก็จดติจากราชตระกูลนั้นไปบังเกิดในพรหมโลกตโตจิตวิตตวาครั้นจุติจากพรหมโลกแล้วก็รัคนอยู่ด้วยสามารถกติอิทานี้มาถึงศาสนาแห่งตถาคตนี้ก็มาบังเกิดในกําเนิดสุกรตถาคตเห็นเหตุชนี จึงกระทาซึ่งแย้มให้ปรากฏตังสุดตัวพระอนุนทะเทระเจ้ากับพระสงฆ์ทั้งปวงได้สดับซึ่งเหตุนั้นก็ได้ซึ่งความสังเวชเป็นอันมากสมเด็จพระบรมครูเจ้ายังความสังเวชให้บังเกิดแก่พิคุทั้งหลายนั้นแล้วเมื่อจะแสดงซึ่งโทษแห่งภาวะ ต, ตันหาจึงเสด็จทรงยืนในวิถีระวางแห่งเรือน แล้วก็ตรัสเทศนาด้วยพระคถ า, านี้ว่าพิก เ, เวดูก่อนพิกขุทั้งหลายธรรมดาว่าตันหานี้เป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าและท่านทั้งหลายปรารถนาจะดับทุกข์ก็พึงปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับตันหานี้ก่อนจึงจะดับทุกข์ทั้งปวงให้เด็ดขาดไปได้ถ้ายังมิได้ดับตันหานี้ก่อน ซึ่งจะดับทุกทั้งปวงให้เด็ดขาดไปนั้นไม่ได้ถ้ายังมิได้ดับตัญหาตัญหายังมีอยู่ในกมลสันดานตราบใดกองทุกทั้งปวงนั้นก็จะบังเกิดเนือ ง, งไม่รู้สิ้นไม่รู้สุดตราบนั้นฉันโนปิรุขโคปุนเรวะรูหติเปรียบประดุดดังพลึกษชาติอันบุคคลยังมิได้ตัดรากและกลับเป็นขึ้นมาอีก ประเพณีต้นไม้อันบุคคลตัดแต่ ก, กิ่งและลำต้นรากอันอย่างลงไปในทิศทั้งสี่แล้วรากอันอย่างตรงลงไปนั้นยังมิได้ทาลายรากนั้นยังมั่นอยู่หาอุปัวะอันตรายมิได้นั้นมิช้ามินานกาลล่วงไปได้เท่าใดต้นไม้นั้นก็จะแตกจะสดขึ้นเป็นต้นเป็นลำ แต่กิ่งแตกก้านเจริญใหญ่เหมือนอยังแต่ก่อนมิได้สาบสูญอันนี้และมีฉันใดต้นไม้และกิ่งไม้ทั้งปวงนั้นอุปมายต่ตอ ก, กองทุกอันมีรากแก้วกล่าวแล้วคือตันหานุสัยยังมิได้ขาดด้วยอำนาจพระอารหัตมรคยานก็บังเกิดวัฒนาการใหญ่หลวงเหมืนอนยังแต่ก่อนมิได้สาบสูญสิ้นเสร็จลงไปได้แท้จริง ตัณหานุสัยอันประกอบไปด้วยทวารทั้งหกคือจักุทวารโสตทวารขาณาทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวานนั้นจัดเป็นอัจฉติกรรมตัณหาภายใน18ประการเป็นพาหิราตัณหาภายนอก18ประการอันบัณฑิตพึงสันนิฐานเถิดว่าตัณหาสมประการคือกามตตัณหา ภวะตันหาวิภวะตันหานั้นท่านตั้งไว้เป็นเดิมเหตุแล้วท่านจึงเอาอายตนะภายในทั้ง6คือจักขวายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมานายตนะนั้นคูณลงจึงเป็นอัจฉติกะตันหา18ประการแล้วท่านออกกามตันหาภาวะตันหา วิภวะตัณหาสาประการนั้นตั้งไว้เป็นเดิมเล่าเอาอารมณ์ทั้งหคือรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ระสารมณ์พทธพารม์ธรรมารมณ์นั้นคูณ ล, ลงจึงเป็นพาหิราตัณหา18ประการแล้วเอาอัจฉติกะตัณหา18กับภาหิราตัณหา18ประสมเข้าด้วยกันจึงเป็นตัณหา36 แล้วจึงเอาตันหาส6สิหกนั้นตั้งลงไว้เอาศรัทธาสามคืออติตัตธาอนาคตตธาและเอาปัจจุบันนะอัตทานั้นคูณ ล, ลงถึงเป็นตันหาร้อยแปประการด้วยกัน